book <62. S> 2 62 6สิสองการตั้งคำถามหนึ่งเรียนนักเรียนเรียนมากไหม Вучні в у ч а ฒิชัด а ัไม่พวกเขาเรียนน้อยเนี่ยยันได้วุฒิชัดมาะถามคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อยเนย Я пытаю яго нечасто ตอบกลับ отказывать ช่วยตอบกลับด้วยครับ отказывайте каліласка ผมตอบกลับ я отказваю ทำงานประ а ว ь เขากําลังทํางานอยู่ใช่ไหม ยนจะเปีใช่ครับเขากำลังทำงานอยู่ทักยน ц ะเปี п р ประจุยมาคุณจะมาไหมครับเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ อยู่ жить คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Вы ж и в е т е у Берлине ครับผมอยู่ในเบอร์ลิน Так я живу у, у Берлине